พอได้ยินไหมดังนะจะฟังเทศหรือจะฟังเสียงธรรมจะธรรมชาติดีกว่าลองนั่งฟังเสียงธรรมชาติไปสักพักก่อนดีกว่านะเพราะว่าเสียงมันดังพูดแล้วไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่ลองฟังเสียงธรรมชาติ ธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เองเสียงน้ำเสียงลมเสียงฝนเป็นธรรมชาติถ้าพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในธรรมชาติก็จะบรรลุธรรมได้มีเรื่องในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งท่านมีคำถาม อยากจะไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงที่กุฏิฝนตกพอดีก็เลยรออยู่ข้างล่างกุฏิเห็นน้ําฝนที่ตกลงมาจากหลังคาลงไปกระทบกับน้ําที่อยู่ข้างล่างน้ําที่อยู่บนดินน้ําฝนที่ตกลงไปบนดินเป็นฟองแล้วก็แตกกระจายไป เกิดเป็นฟองแล้วก็แตกกระจายไปพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็ได้คําตอบเห็นว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรก็เลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าความไม่เที่ยงก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป เ, เหมือนฟองน้ําน้ําฝนที่ตกลงมาจากชายคา พอตกลงมากระทบกับน้ำที่ที่นองอยู่บนพื้นก็กลายเป็นฟองขึ้นมาแล้วฟองนั้นก็แตกดับไปเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นว่าห้ามห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟองที่เกิดแล้วไม่ให้มันแตกไปไม่ได้ฟองน้นมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกไป ถ้าแม่มันเกิดก็ไม่ได้มันพอน้ำตกลงมาจากบนหนังคามาสู่น้ำที่อยู่ข้างล่างก็ ก, กลายเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกไปก็เลยเข้าใจทำเป็นจริงว่าอันนี้จังเป็นยังไงอันนี้จังก็คือมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรฟองน้ำตกลงมาแล้วแล้วก็แตกไป แล้วพอน้าตกลงมาใหม่หยดน้าตกลงมาใหม่ก็เป็นคลองน้ำขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกไปก็เห็นการเกิดดับเกิดดับของธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติสัพเพ ธ, ธ ร, รมานตาอะไรที่เกิดแล้วดับนั้นก็ต้องเป็นธรรมชาติพราะเราห้ามเขาไม่ได้ร่างกายของเราเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ก็เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเพราะทรมาจากธรรมาชาติร่างกายนี้ก็ทามาจากน้ำ จากดินจากลมจากไฟอพอมาบารวมกันก็เกิดเป็นผมขนและฟันขึ้นมาเหมือนกับน้าที่ตกลงมาจากชยายคามารวมกับน้าที่อยู่ที่บนพื้นดินก็กลายเป็นคฟองน้าขึ้นมาน้้ามันก็แตกไปดับไปร่างกายก็ ได้มาจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารก็เป็นธาตุดินส่วนใหญ่ข้าวก็ทำมาจากดินผักก็ทำมาจากดินเนื้อสัตว์ก็มาจากผักมาจากข้าวอีกทีหนึง่งสัตว์ก็ต้องกินข้าวกินผักก็ แล้วก็กลายเป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็มาเข้ามาในร่างกายเราก็มากลายเป็นเนื้อเราเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเนอ็นเป็นกระดูก อ, อันนี้เป็นธรรมชาติทั้งนั้นร่างกายนี้ไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เรานี่เราคิดไปเองเราคือผู้คิดผู้รู้เราคิดว่าร่างกายเป็นเรา แท้จริงร่างกายมันเป็นดินน้ำลมใส่แต่เรากลับไปคิดว่ามันเป็นเราพอาคิดว่าเป็นเราเราก็ไปรักไปหวงมันพอมันจะดับก็เลยทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะอยากไม่ให้มันดับตั้หาความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจ ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี่ เ, เกิดก็ต้องทุกข์แก่ก็ต้องทุกข์เจ็บก็ต้องทุกข์ตายก็ต้องทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ไม่อยากจะให้มันตายอยากจะให้มันอยู่ก็ต้องหากินหาอะไรต่อสู้กับอะไรต่างๆเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกาย แล้วพอมันแก่ก็ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บก็ไม่อยากให้มันเจ็บมันตายก็ไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทําให้ใจทุกข์กับร่างกายเพราะใจไม่รู้จักร่างกายว่าเป็นอะไรไปคิดว่าเป็นเราถ้าคิดว่ามันเป็นเหมือนฟองน้ําที่ตกลงมาจากชายคา แล้วก็ลงมากระทบกับน้ำที่อยู่บนพื้นดินก็ปรากฏเป็นฟองขึ้นมา mm. ถ้าเราไปยึดฟองนั้นว่าเป็นเราเราก็จะทุกข์ mm. เพราะอยากใช้ฟองนั้นมันไม่แตก mm. แต่เรารู้ว่ามันเป็นฟองมันไม่ได้เป็นเราเราเลยไม่ไปยึดมันเราเราไม่ทุกข์กับฟองน้ำ mm. ถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราก็เป็นเหมือนฟองน้ำ เราไม่ไปยึดกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้เป็นมันนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมนะโสดาบันนะเห็นการเกิดดับของร่างกายที่เป็นเหมือนคลองน้ำมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายไปเป็นธรรมดา ถ้าเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราจะไปทุกข์กับมันได้อย่างไรไม่มีวันทุกข์กับมันเหมือนกับเราเห็นฟองน้าว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราทุกข์กับฟองน้หรึเปล่าเห็นมันเกิดเห็นมันดับเราไม่เห็นทุกข์กับมันไนะแต่พอเราเห็นร่างกายนี้ พอมันเป็นของเราขึ้นมาเราก็ทุกข์ถ้าไม่เป็นของเราไม่ทุกข์ถ้าแฟนเราไม่มาแต่งงานกับเราเราไม่ทุกข์กับเขาหรอกแต่พอเขามาแต่งงานกับเราเขามาเป็นของเราขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ยังไปทุกข์กับเขาอยู่เพราะยังไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เป็นแฟนเรา แล้วพอมีแฟนแล้วก็ต่อมาก็มีลูกเนี่ยก็เป็นลูกเราเอีกเนไก็เป็นฟองน้าทั้งนั้นเนี่ยฟองน้าเริ่มต้นที่ฟองน้าของเราตัวเราแล้วก็ไปเอาฟองน้าของคนอื่นมาเป็นเราเป็นของเราอีกแล้วพอมีลูกออกมาก็เป็นฟองนา้าก็เป็นเรียกว่าเป็นของเราอีกก็เลยทุกขกับฟองน้าที่เราได้กันมาเนี่ย ทุกกับร่างกายเี่ยทุกกับดินน้ำลมไฟเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกร่างกายของเราของใครก็ตามแต่พอมาเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีาะความอยากให้มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเราจึงต้องมา แก้ความหลงด้วยความจริงความหลงนี่คือความไม่จริงนั่นเองความเห็นผิดเป็นชอบเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราก็ต้องแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาสัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องเกิดจากคนที่ฉลาดอย่างพวกเรานี่มันไม่เกิดขึ้นมาเอง เราต้องอาศัยคนที่ฉลาดกว่าเราสอนเราคนที่ฉลาดกว่าเราก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกท่านได้วิเคราะห์ได้พิจารณาร่างกายจนเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่ต้องเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นเหมือนคลองน้ำ ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยรสงสารวกมาสอนโลกเราก็ยังจะคิดกันไปอยู่เรื่อยๆว่ามันร่นางกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะคิดแบบนี้ไปเหมือนคนสมัยโบราณที่คิดว่าโลกนี้แบนถ้าไม่มีคนฉลาดมาสอนว่าโลกนี้มันไม่แบนมันกลมก็จะคิดว่ามันแบนอยู่เรื่อยๆ จะไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลกลัวจะตกขอบฟ้าขอบทะเลไปเพราะมันแบนเหมือนโต๊ะโต๊ะมันมีขอบถ้าออกไปเกินขอบโต๊ะมันก็ตกออกตกนอกโต๊ะไปถ้าไม่อยากจะออกจากนอกโลกไปก็อย่านั่งเรือออกไปไกลคนสมัยก่อนยังไม่กล้าไปไกลนั่งเรือไม่กล้าไปไกล แต่มีคนฉลาดที่เห็นว่ามันไม่ใช่โตะมันเป็นลูกบอลอ่ะมันกลมนั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันตกจากลูกบอลเนี่ยก็เลยพิสูจน์ได้ว่าโลกมันกลมเขาก็นั่งเรือไปเรื่อยๆนั่งไปจนกระทั่งวกกลับมาที่เดิมได้ไปไปทางเดียวแต่ในที่สุดก็กลับมาจุดมาเจอที่จุดเริ่มต้น ก็แสดงว่ามันเป็นวงกลมนี่ก็คือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกนี้ เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟแต่ไม่พอฝนตกลงมาพอมาผสมกับดินเข้าเดี๋ยวไม่กี่วันหญ้า ก, ก็โผล่ขึ้นมานะต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาพวกนี้มาจากไหนถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่โผล่ขึ้นมามีดินแต่ไม่มีน้ำมีอากาศมีลม มีไฟมีความร้อนแต่ถ้าไม่มามีถ้าน้าไม่มามันก็เหมือนอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายก็มีดินมีอากาศมีลมมีความร้อนแต่ไม่มีน้าแต่ถ้าจุดไหนมีน้ำในในทะเลทรายบางแห่งก็มีน้า ก็จะมีเป็นเหมือนเกาะขึ้นมามีต้นไม้โผล่ขึ้นมาในบริเวณที่มีน้ำจะเห็นได้ว่าพวกต้นไม้ใบหญ้านี่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีธาตุสี่รวมกันครบบริบูรณ์มีดินมีน้ำมีลมมีไฟถ้าไม่มีไฟมีดินมีน้ำ แต่ไม่มีไฟเช่นไปอยู่พั้วโลกเหนื อ, อมีดินมีน้าแต่เป็นน้ําแข็งแต่ไม่มีความร้อนไม่มีไฟมันหนาวแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงตรงนั้นก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้ า, ยยาโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าพวกต้นไม้ใบหญ้ า, ยยาร่างกายของมนุษย์ของสัตว์นี้ มันต้องมีบรรยากาศที่ครบทั้งสี่มีลมมีไฟความร้อนลมก็อากาศอากาศที่เราหายใจก็เรียกว่าลมไฟก็คือความร้อนดินของแข็งแล้วก็น้ำของเหลวเมื่อมาผสมกัน ก็จะเกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานแล้วพอมีร่างกายของมนุษย์มนุษย์ก็ฉลาดรู้จักหาดินน้ำลมไฟต่างๆมาผสมกันมาผลิตเป็นอะไรต่างๆมากมายผลิตเป็นเสื้อผ้าขึ้นมา ผลิตเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าผลิตเป็นรถยนต์เป็นสินค้านานาชนิดก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นน ะ, อะของทุกอย่างถ้ามันเป็นการผสมรวมกันแล้วมันจะต้องแยกตัวออกจากกาันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสือ่อมเมื่อรวมตัวกันแล้วพอมัน ถึงเวลามันไม่สามารถจะอยู่รวมกันได้มันก็แยกกันไปดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวในร่างกายเราต่อไปมันก็จะแยกออกจากกันมันจะไม่ยอมรวมกันตอนนั้นมันก็เริ่มเริ่มแก่ละพอมันเริ่มเริ่มที่จะแยกตัวกันตอนต้นนี้มันจะรวมตัวกัน พอถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันก็จะมันจะเดินถอยหลังนับถอยหลังพอสี่สิบกว่าขึ้นไปแล้นมันก็เริ่มแก่และแก่แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มอ่ อ, อนลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่รวมกันได้ พอไม่สามารถหายใจได้ลมไม่เข้าทีนี้ก็มีแต่จะออกะพอลมไม่เข้าลมก็จะมีแต่ออกน้ำก็จะออกอไฟก็จะออกเดี๋ยวก็เหลือแต่ดินร่นางกายนี้พอตายแล้วมันก็จะขึ้นอืนอมันก็จะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรไหลออกมา ถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุไปพังไปกลายเป็นดินไปถ้าเราจะเร่งก็เอาไปเผาไฟพอเผาไฟร่างกายก็จะเหลือแต่ที่เท่าที่เท่าก็คือดินนี่เองอนี่คือธรรมชาติ ที่มารวมตัวกันแล้วใจผู้ไม่รู้เรื่องก็มายึดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไปอยากให้มันไม่แยกตัวกันอยากให้มันรวมตัวไปอยู่ไปนานๆพอมันไม่ยอมรวมตัวมันจะแยกก็เสียใจทุกข์ใจไปหาหมอหมอบอกว่า เหลืออีกสามเดือนมันจะหยุดทำงานแล้วร่างกายนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เ, เ, เพราะอยากให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆอแต่ถ้าได้มาศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าป้าเรียสงสาวกที่สอนบอกว่าร่างกายนี้ต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ผ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียดายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายเราทำใจเฉยๆอย่าประยากมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป มันตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายถ้าเรายังไม่เข็ดเดี๋ยวเราไปมีร่างกายอันใหม่ต่ อ, อเดี๋ยวพอร่างกายอันเก่าตายไปเราถ้ายังไม่เข็ดกับการมีร่างกายเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เดี๋ยวก็ได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดในชาตินี้ ชาติก่อนนี้เราก็มีร่างกายเก่าพอร่างกายเก่ามันตายไปเรายังไม่เข็ดยังอยากมีร่างกายก็เลยไปหาร่างกายใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่พอเจอพ่อแม่คนใหม่เขาแต่งงานกันแล้วก็เกาะไปกับเขารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ได้ร่างกายจากเขาเดี๋ยวพอเขาแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ผลิตร่างกายใหม่ขึ้นมา เราก็ไปเกาะร่างกายอันใหม่ที่อยู่ในท้องแม่อพอออกมาจากท้องแม่เราก็ใช้ร่างกายอันนีพ้พาเราไปทำวามความอยากต่างๆอยากดูก็มีตาดูอยากฟังก็มีหูฟัง อ, อยากริ่มรส ด, ดมกลิ่นก็มีจมูกมีลิ้นอยากสัมผัสกับบรรยากาศทางร่างกายก็มีร่างกายให้สัมผัส เราก็เลยเพลิดเพลินมีความสุขกับการมีร่างกายพมื่อมีร่างกายแล้วที่แข็งแรงก็สามารถพาเราไปเที่ยวไปเล่นได้<ม>แต่พอมันไม่สามารถพาเราไปเที่ยวไปเล่นได้เราก็เสียใจทุกใจตอนนั้นก็เป็นเวลาทุกข<ม>เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เป็นเวลาทุก์ แต่ก็ไม่เข็ดพอตายไปก็อยากจะไปมีร่างกายอันใหม่ก็ไปหาไปดูว่าใครกำลังจะเป็นสามีภรรยากันนะก็ไปคอยอยู่ใกล้ๆนะไปฝากฝังตัวฝากเป็นลูกนะพอเขาแต่งงานกันเขาร่วมหลับนอนกันก็ได้ลูกขึ้นมาได้ร่างกายใหม่ขึ้นมานะ เกิสมัครเป็นลูกเขาออกจากท้องแม่ก็เรียกเขาว่าแม่เรียกว่าพ่อแล้วก็รักเขาเป็นพ่อเป็นแม่ไปนี่คือชีวิตของพวกเราความหลงพาให้เราต้องมีร่างกายเพราะเรายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ ยังอยากดูอยากฟังอยากลิบรถดมกลิ่นอยากสัมผัสกับความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มต่างๆจึงต้องมีร่างกายแต่ไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32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 น้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการ32ของร่างกาย อ, อาการทั้ง32นี้ไม่ได้เป็นตัวเราเลยตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ ตัดผมไปเราก็ไม่ได้หายไปกับผมตอนผมไปผมเราก็ไม่ได้หายไปถอนฟันไปเราก็ไม่ได้หายไปสมัยนี้มีการเปลี่ยนอวัยวะเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอาอวัยวะของคนอื่นมาใส่ก็เราก็ยังเป็นเราอยู่เพราะตัวที่เพราะตัวที่ว่าเป็นเรามันไม่ได้เปลี่ยนตัวที่เป็นเราก็คือจิต ตัวผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได <copyright S 1> ้เปลี่ยนผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดเองแต่มาเกาะร่างกายเกาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเกาะทางตาเพื่อจะได้เห็นรูปเกาะทางหูเพื่อจะได้ยินเสียงเกาะทางลิ้นเพื่อจะได้ลิ้มรสเกาะทางจมูกเพื่อจะได้ดมกลิ่นเกาะทางร่างกายเพื่อจะได้สัมผัส สิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายเพราะนั้นเองแล้วก็มีความสุขกับการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบอเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นโลกอนิจจังมันไม่ใช่มีแต่รูปที่ชอบอย่างเดียวพอไปเห็นโลกที่ไม่ชอบรูปที่ไม่ชอบเข้าก็ทุกข์ขึ้นมา เสียงพอได้ยินเสียงที่ชอบก็สุขพอจะยินเสียงที่ไม่ชอบก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดความทุกข์ก็พยายามที่อยากจะกําจัดมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะบางทีกําจัดมันไม่ได้อยากจะให้เสียงไม่ดีหายไปมันไม่หายก็ยิ่งทําให้ทุกข์ใหญ่พอไม่รู้จักวิธีอยู่กับรูปเสียงกิริย์ลดแบบไม่ทุกข์ว่าอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงฆ์มาสอนก็จะไม่รู้จักวิธีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสแบบไม่ทุกข์ก็คือให้ให้รู้เฉยๆให้เห็นเฉยๆให้ได้ยินเฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้สัมผัสรับรู้เพราะถ้าไปยินดีนร้ายก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ไปควบคุมมันไม่ได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ได้ยินได้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็มีความสุขพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าทำใจให้เฉยๆแล้วจะไม่เกิดความรักหรือความชังความชอบไม่ชอบจะไม่มีจะเฉยเห็นก็ไม่ชอบ จะชอบก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชอบจะไม่ชอบก็ไม่ก็ไม่ชอบเฉยเฉยแต่เฉยเฉยก็จะไม่เกิดความทุกข์หรือความสุขขึ้นมาความเฉยเฉยนี่กลับดีกว่าความสุขเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความสุขนี่มันอยู่เดี๋ยวเดียวอยู่ตอนที่จะรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบ พาไปจะรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาแทนที่หรือไปเจอความรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเฉยๆคือจะชอบก็ไม่ชอบจะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เสียใจเพราะเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบไปเวลารูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบเปลี่ยนไปเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เฉยๆเราก็เบื่ออยาก จะได้รูปเสียงกิ่นรสที่ชอบกลับมาแต่ถ้าเราเฉยกับรูปเสียงกิ่นรสทุกชนิดมันจะมาในรูปแบบนั้นเราเฉยได้ถ้าเฉยของใจนี้มีความสุขถ้าเราทําใจให้เฉยนี้จะมีความสุขอีกแบบนึงความสุขที่เกิดจากความเฉยของใจนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการ สัมผัสกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นแล้วที่เราชอบเร า, าจึงต้องมาฝึกทำใจให้เฉยกันมานั่งสมาธาิวิธีทำใจให้เฉยต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดคิดแล้วใจเราก็จะเฉยแล้ว เราก็จะเอาความเฉยนี้ไปใช้เวลาที่เราไปเจอรูปเสียงกลิ่นรถเราเคยเฉยเป็นเรามาหัศเฉ ย, ยกันตอนนี้เราเฉ ย, ยไม่เป็นเหมือนคนขับรถที่หาเกียร์ว่างไม่เจอรถมันจะคอยวิ่งไปข้างหน้าเรื่มมีแต่เข้าเกียร์หน้าหรือเข้าเกียร์ถอยหลังเวลาอยากจะจอดให้จอดรถก็จอดไม่ได้เพราะหาเกียร์ว่างไม่เจอ ใจเราก็เหมือนกันใจเราเหมือนรถที่มีมีเกียร์ว่างแต่หาเกียร์ว่างไม่เจอมีแต่เกียร์เดินหน้ากับเกียร์ถอยหลังเจออะไรที่ชอบก็เดินหน้าเจออะไรที่ไม่ชอบก็ถอยหลังเราก็เลยวิ่งไปวิ่งมาวุ่นวายไปกับการวิ่งตามของที่ชอบแล้วก็หนีจากของที่ไม่ชอบอมไม่รู้จักอยู่เฉย แล้วให้ของที่มันชอบไม่ชอบให้มันวิ่งเองให้มันมาเองไปเองดีกว่าถ้าเราเฉยแล้วมันจะมามันจะไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเราชอบเวลามันไปเราก็ต้องวิ่งตามมันไปถ้ามันไม่ชอบถ้าของไม่ชอบมาเราก็ต้องคอยวิ่งหนีคอยหลบหนีอยู่เรื่อยเนีมม่มาฝึกจิตทาจิตให้นิ่งให้สงบให้เฉย แล้วต่อไปเวลาเรามาเจอของที่ชอบหรือไม่ชอบเราก็เฉยไปแค่นี้ถ้าเราทำใจเฉยไปแล้วมีสมาธิแล้วเราจะสั่งให้มันเฉยได้ได้ยินเสียงใครด่าก็เฉยเอาฟังไปใครอยากจะดา่ามันไม่เหนื่อยก็ามาให้มันด่าให้พอเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็หยุดเองอ่ะไอ้ไหมถ้าเราไม่ไปตอบต้มันเดี๋ยวมันก็ไม่มีเชื่อให้มันไม่ไม่มีไม่มีพลังให้มันตอบกลับมา ปมันด่าไปอยากจะด่าเท่าไหร่เอาเลยเชิญใจเฉยเนาะฟังได้เดี๋ยวคนด่ามันเมื่อยมันก็หยุดเองน้องไปด่าที่ไปด่าเสาดูเลยต้นเสาที่มันตั้งอยู่นี่ลองไปด่ามันดูด่าไปสักพักก็เบื่อแล้วมันไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ถ้าตอบโต้แล้วมันพอพอเราด่ามันด่าเราเราก็ด่ามันใหญ่ ด่าไปด่ากันเดี๋ยวก็ตีกันท่ากันไปเราต้องมาฝึกทำใจให้เฉยแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟมไปสั่งมันไม่ได้ ไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาสั่งได้แต่บางเวลาสั่งไม่ได้เช่นร่างกายตอนนี้สั่งมันได้สั่งให้มันมาที่นี่ได้สははั่งให้มันไปที่นั่นได้เดี๋ยวเวลามันไม่สบายสั่งมันมันไม่ได้แล้วมันไม่ไปสั่งมันยังไงมันไม่ลุกอเวลามันตายนี่สั่งให้มันไปไหนไม่ได้นะลอว นี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องมาหัดทำใจให้เฉยกับมันเมื่อสั่งมันไม่ได้ก็ต้องเฉยถ้าเฉยแล้วก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะสั่งแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยแล้วเราก็ไม่มีความอยากมันจะแก่ก็ไม่เป็นไรจะเจ็บก็ไม่เป็นไรมันจะตายก็ไม่เป็นไรเพราะเราเฉยเป็น ถ้าเราเฉยไม่เป็นเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่จะทรมานแล้วเวลาตายไปมันจะกลับมาเกิดใหม่เพราะมันจะไม่เข็ดแต่ถ้าเฉยแล้วมันจะไม่กลับมาเกิดใหม่มันไม่มีความอยากที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะไม่มีร่างกายก็ก็ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะต้องมีร่างกาย เพื่อไปหาลูกเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสใจก็จะสงบจะมีความสุขจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่กำลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ทุกข์ไปกับทุกเรื่องมีอะไรก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นเพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมา นี่ก็คือเรื่องของธรรมชาติมองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติฝนตกอยากให้มันหยุดก็ไม่หยุดเห็นไแต่มันไม่หยุดเราก็นั่งของเราไปเรื่อยๆฟังเทศไปหรือถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็นั่งสมาธิไปคนเทศอาจจะเหนื่อยนะไม่โแล้วก็ มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ฟังเทศมันก็ดีอย่างจะได้รู้วิธีทําใจให้เฉยจะรู้ว่าทําไมเราต้องมาทําใจให้เฉยก็เ ร, เราอยู่กับธรรมชาติเราจะไปบังคับธรรมชาติไม่ไดเ้เราต้องบังคับใจเร า, เาใจเราชอบไปบังคับธรรมชาติ พอบังคับไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์เราต้องบังคับใจเราอย่าให้ไปบังคับธรรมชาติให้ใจเราหัดอยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่มันเป็นอย่างไรก็อยู่กับมันไปมันดีก็อยู่กับมันไปมันไม่ดีก็อยู่กับมันไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไร ที่เราทุกข์เราเราอยากจะอยู่กับของที่ดีพอของที่ไม่ดีเปลี่ยนไปก็ไม่อยากจะอยู่กับมันแล้วอพอไปหาของดีใหม่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีออพอของทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนจากดีเป็นไปไม่ดีไปจากใหม่เป็นเก่าพอไปแเก่าแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันเสียแล้ว แต่ยังถ้ายังต้องอยู่กับมันก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นร่างกายเวลาได้เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ดีมันใช้งานได้ดีพอมันแก่มันเจ็บนี่ไม่ไม่ดีนะแต่จะทิ้งมันก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้ถ้าเฉยไม่เป็นก็จะทุกข์ถ้าเฉยเป็นก็จะไม่ทุกข์จะอยู่กับมันได้ การที่เราจะอยู่กับอะไรที่เราจะต้องอยู่ด้วยก็ต้องหัดทาใจให้เฉยให้ได้ต้องอยู่กับคนที่เราไม่อยากจะอยู่แต่ก็ต้องอยู่เพราะเป็นแฟนกันมาแต่เขาเปลี่ยนไปตอนเป็นแฟนใหม่ๆเขาก็ดีแต่พออยู่ไปนานๆเขาเขาเริ่มไม่ดีแล้วคอยเอาใจเรา เยนี้เขาไม่เอาใจเราแลนะเขาเอาใจเขาแลแต่เจ้าไม่อยู่เขาก็ไม่ได้เขาได้สัญญากันไว้แล้วว่าจะต้องอยู่กันไปก็เลยต้องทาใจเฉยไปถ้าําใจเฉยก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าทาใจไม่เฉยไม่ได้อยากจะให้เขาไปหรืออยากจะหนีจากเขาไป แต่พอทำไม่ได้ก็อึดอับใจหุดหงิดใจทุกข์ใจขึ้นมาเนีเ่ยความทุกข์ของเราความทุกข์ของเราอยู่ที่การทำใจเฉยไม่ได้ถ้าเราทำใจเฉยได้แล้วความทุกข์ใดใจเราจะไม่มีนั้นเรามาหัดทำใจเฉยกันามาหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบ ใจสงบใจเฉยแล้วใจก็จะมีความสุข น, นี่ก็คือสรุปการมาพบกับพระพุทธก็ทำประสงค์ก็เพื่อมาให้รู้จักวิธีทำตัวเราให้มีความสุขนนเราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าเราจะอยู่กับอะไรนนหรือไม่อยู่กับอะไร เราสามารถทำมีความสุขได้ถ้าเราทำใจให้เฉย้อใจเราเฉยเราเราจะอยู่กับอะไรก็ได้ไม่อยู่กับอะไรก็ได้เพราะใจเราไม่ได้สุขไปกับสิ่งที่อยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราใจเราสุขเพราะใจเราสงบใจเรานิ่งเฉย ใ, ใจเราจะนิ่งเฉยก็ต้องมีตัวกากับผู้กากับใจผู้กากับก็คือสติ ถ้ามีสติสั่งให้ใจหยุดคิดได้ใจก็สงบได้ถ้าไม่มีถ้าสั่งแล้วมันไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีสติหรือมีสติกาลังไม่มากพอที่จะหยุดความคิดได้ก็ต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นมาด้วยการเจริญสติอยู่บ่อยๆวิธีสร้างสติเจริญสติก็คือให้ใช้ กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งมีสี่สกรรมฐานด้วยกันกรรมฐานนี้เป็นตัวสร้างสติเน้นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งให้เราเล่าถึงพระพุทธเจา้าพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดนั่นคิดนี่ไม่ไดเ้เราก็จะหยุดความคิดได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธหรือถ้า ไม่อยากจะพุโทโธถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกไปคอยเฝ้าดูลมว่าตอนนี้กำลังเข้าหรือกำลังออกเท่นั้นเองให้ดูลมไปไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมให้ดูลมเข้าดูลมลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกถ้าคอยเฝ้าดูลมมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าไม่คิดอยู่กับลมเดี๋ยวจิตก็สงบพอสงบแล้วก็จะเฉยจะมีความสุขะจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นฝนจะตกก็ตกไปร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไปแต่ใจก็จะเฉยะจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ด้วยะะจะไม่หิวไม่อยากกับอะไร จะไม่อยากดูอยากฟังไม่อยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายใช้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนอแล้วก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปออนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำกันให้ได้คือมา ควบคุมจิตให้สงบให้เฉยให้ปราศจากความรักชังกลัวหลงให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้ได้อของพวกนี้เราทําได้เ พ, พราะพระพุทธเจ้าทํามาแล้วพระอริยสงฆ์ทํามาแล้วท่านเป็นเหมือนคนว่ายน้ําเป็น เรายังว่ายน้ำไม่เป็นท่านจะมาสอนให้เราว่ายน้ำกันเราจะได้ไว่ายข้ามฟากไปตอนนี้เราอยู่ฝั่งที่มีแต่ความทุกข์ท่านได้ไว่ายไปอีกฝั่งหนึ่งที่มีแต่ความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องมาหัดว่ายน้ำให้เป็นมาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้า ว, วิธีว่ายน้ำของจิตก็คือว่ายด้วยสติว่ายด้วยปัญญาว่ายด้วยสติเพื่อหยุด จิตให้จิตสงบแล้วก็สอนจิตให้ฉลาดให้จิตอยู่เฉยๆอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆที่จิตไปสัมผัสรับรู้เพราะว่าพอไปอยากแล้วมันจะทาให้จิตวุ่นวายขึ้นมาแล้วจะทําให้ต้องมีปัญหาต่างๆตามมามีความทุกข์ต่างๆตามมาแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบ วิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือหยุดการกระทําตามความอยากต่างๆเท่านั้นเองออนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมมาเพื่อศึกษาให้รู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ตอนนี้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขที่ชั่วคราวความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะความสุขที่เราหากันเป็นความสุขชั่วคราวแต่เครื่องมือที่เราใช้หาความสุขก็เป็นเครื่องมือชั่วคราวคือร่างกายความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายคือรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขชั่วคราวหาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอไม่อิ่มไม่พอ หาได้มาปั๊บเดี๋ยวก็หมดไปไปเที่ยวมาปับ๊บกลับมาบ้านก็หายไปหมดไปกินอาหารที่ร้านอาหารพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดไปดูหนังฟังเพลงกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดไปงานเลี้ยงกี่งานเลี้ยงมา ม, มันกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดเหมือนกับไม่เคยไปมาก่อนความสุขที่ได้จากการไปกระทำอะไรตามความอยากต่างๆมันจะหายไปหมด แต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะทำให้เราไม่ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆได้มาแล้วเราก็จะรู้จักวิธีรักษามันรักษามันด้วยการไม่ไปทำตามความอยากต่างๆเพราะจิตสงบแล้วมีความสุขแต่พอเกิดความอยากความสงบก็จะหายไปถ้าไม่ไปทำตามความอยาก ความอยากก็จะหายไปความสงบก็จะกลับมาใหม่นี่คือเรื่องที่เราต้องมาเปลี่ยนทากันเปลี่ยนจากการหาความสุขชั่วคราวมาหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรด้วยการมาฝึกจิตทําจิตให้สงบแล้วพอเกิดความอยากก็ต้องหยุดมันให้ได้อย่าไปทําตามความอยาก เพราะความอยากจะทำให้ใจเราวุ่นวายไม่มีวันสิ้นสุดได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจแล้วได้ของที่อยากได้มาแล้วพอเสียไปก็เสียใจเห็นการทำตามความอยากนี้เป็นการนาไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆต้องอย่าไปทาตามความอยาก มาทำใจให้สงบแทนทุกครั้งที่อยากก็ไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขก็จะกลับมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายนี้จะมีไม่มีไม่เป็นปัญหาไม่เกี่ยวกัน ความสุขใจนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นผู้ขบหามาให้ เ, ออเรามีสติมีปัญญาคอยหาให้เราคอยรักษาให้เราเออมีสองอย่างนี้พ อ, อ, อไม่ต้องมีอะไรออใจจะมีความสุขไปตลอดออไม่มีวันสิ้นสุดงั้นหาเวลาไปฝึกทำจิตให้สงบ ก่อนจะทก่อนจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ไม่สงบนั่งไปก็คิดเลื่อยเปื่อยไปเน้น mm hmm. ต้องหยุดหัดหยุดความคิดเลื่อยเปื่อยก่อนที่จะมานั่ง mm hmm. ตื่นขึ้นมาพอจะคิดก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุทโธไป mm hmm. หรือบังคับให้มันเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปกำลังอาบน้ำก็ให้มันอยู่กับการอาบน้า อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อาบน้ำก็อาบน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันไปหวีผมก็หวีไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปอรับประทานอาหารก็รับประทานไปทำงานอะไรก็อยู่กับงานไปอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดถ้าจาเป็นต้องคิดก็คิดได้ เช่นวันก่อนมีคนบอกว่าพอมาฝึกจิตให้ไม่ให้คิดก็เลยลืมเรื่องราวต่างๆไปหมดจะไปทำอะไรก็ลืมไม่หมดอันนี้มันก็แถนตรงเกินไปถ้ายังมีภารกิจต้องทำก็ต้องคอยคิดบ้างว่าเดี๋ยวต้องไปทำไม่นั่นนะเดี๋ยวต้องไปทาไม่นี่นะแต่คิดเท่านี้ก็พอคิดเพื่อเตือนไว้ว่าให้รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรแต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลว่า ไปจะทำให้นูน่นจะเกิดไอ้นั่นไอ้นี่ขึ้นมาจะมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้มันคิดมากเกินไปไว้ให้ไปถึงเหตุการณ์แล้วค่อยไปคิดมันมีปัญหาอะไรก็ค่อยไปว่ากันแต่ให้คิดเพียงแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรแค่นี้เพื่อจะได้ไม่ลืมเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีความคิด ถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจเราจะนิ่งเต็มที่จะเฉยเต็มที่จะมีความสุขเต็มที่เราจะไม่หิวกับอะไรไม่ต้องไปหาขนมกินไม่ต้องไปหากาแฟดื่มไม่ต้องไปหาอะไรดูหาอะไรฟังใจเราจะอยู่เฉยเฉยได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาอะไรตอร่างกายใช้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่พอใช้ไม่ได้ก็จะเดือดร้อนพออยากจะกินกาแฟก็กินไม่ได้หมอห้ามน้ำตาลสูงกินขนมก็กินไม่ได้ไขมันสูงอะไรต่างๆมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถทําตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความอยากได้ต้องทําใจให้อิ่มทาใจให้เฉย ด้วยการทำใจให้เนิ่งให้สงบพอใจเนิ่งสงบแล้วใจใจอิ่มจะเฉยจะไม่อยากจะไม่หิวกับอะไรจะอยู่คนเดียวจะอยู่เฉยเฉยได้อยู่โดยที่ไม่มีร่างกายได้ไม่ใช้ร่างกายได้มีก็ไม่ใช้มันมีหรือว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยเฉยไม่มีร่างกายก็ไม่พอร่างกายนี้หมดก็ไม่มีร่างกายอันใหม่ ไม่มีร่างกายใหม่ก็ไม่ต้องมาทุกกับการทำมาหากินไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายสุขอยู่กับความสงบตลอดเวลาจะดีกว่าแ้นมหาทธิทำใจให้สงบด้วยการฝึกสติก่อนฝึกสติควบคุมความคิดให้ได้ต้องฝึกทัทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นอย่าคิดแล้วก็ เวลาว่างก็มานั่งสมาธิอย่าไปดูนั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่กันมานั่งสมาธิกันดีกว่ามาเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิไปแล้วใจจะอิ่มใจจะสบายจะไม่หิวกับอะไระแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปอยากก็อย่าไปทำตามความอยากเวลาอยากก็มานั่งสมาธิแทนอยากจะกินกาแฟก็มานั่งสมาธิแทน เอาเปลี่ยนวิธีหาความสุขเอาความสุขจากการนั่งสมาธิที่ดีกว่าความสุขจากการดื่มกาแฟจากการไปดูหนังฟังเพลงมานั่งสมาธิกันทำให้จิตให้สงบอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันจะหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบมีความสุขไปตลอดจนวันจนไม่มีวันสิ้นสุด ใจของพระพุทธเจ้าใจของป้าหลานตะสาวกนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่แบบสงบอยู่อย่างมีความสุขใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเราสามารถทำใจให้สงบตัดความอยากละความอยากให้หมดไปจากใจได้ใจไม่ตายใจของพระพุทธเจ้าไม่ตายใจของเราไม่ตายเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุขพระพุทธเจ้าอยู่แบบสุข ว่าอาหาันตสาวกอยู่แบบสุขแต่พวกเราอยู่แบบทุกข์กันทุกข์เพราะว่าเราทําใจไม่เป็นหยุดความอยากไม่เป็นทําใจให้นิ่งให้สงบไม่เป็นเราก็เลยถูกความอยากคอยผลคอยดันคอยเตะคอยทีให้เราไปาหาความทุกข์กันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาแล้วพอสูญเสียมันก็ทุกข์มีมันก็ทุกข์ เวลามีก็ไม่อยากให้มันเสียไม่ให้ไม่อยากให้มันจากไปพอมันจากไปก็ทุกข์อีกมีก็ทุกข์จากก็ทุกข์พอไม่มีก็ทุกขอยากจะได้มันไม่ทุกข์ตลอดเวลาถ้ามีความอยากพอไม่มีความอยากตัวเดียวจะไม่ทุกข์เลยไม่มีความอยากก็ไม่ไปหาอะไรไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ด้วยไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์กับภรรยา ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องทุกข์กับสมบัติไม่มีตำแหน่งก็ไม่ต้องทุกข์กับตำแหน่งอพอมีอะไร้วมันทุกข์ทันทีนั่นอย่าไปมีมันหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจิตจะมีแต่ความสุขจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเพียรพยายามฟังเทศอย่างเดียวไม่พอต้องเอาไปปฏิบัติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ใช่ด้วยการฟังฟังเฉยๆไม่หลุดถ้าหลุดตอนนี้ก็หลุดกันไปนานแล้วลฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วฟังมาจนหูฉีกแล้วอถ้ายังไม่หลุดก็แสดงว่ายังไม่ได้เพียรพวกที่เขาฟังไปแล้วเขาหลุดเพราะเขาฟังไปเขาเพียรไปด้วยทําไปด้วยเขาทําใจไปด้วยแต่เราไม่ทําใจเราเรา ย, ยังปล่อยให้ใจดินไปตามความอยากอ ย, กอยู่ เราต้องเวลามันดิ้นเราต้องหยุดมันให้ได้ฉะ น, mm hmm. นั้นพยายามนำเอาไปปฏิบัติพยายามควบคุมจิตให้สงบพยายามฝืนความอยากหยุดความอยากอย่าทําตามความอยากให้ได้แล้วต่อไปความอยากก็จะไม่มีอยู่ในใจใจก็จะสงบใจก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จัณทโทปนาราโสยะธามะนีโชติราโสยะาสะพธิโยวิวัจันโุสะพรโควินาศตุ มาเตาวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทานศีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวโนสุขังพะล ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้ทางบ้านเขาติดตามเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสทางเฟซบุ๊กสี่้อยสิบหกท่านค่ะ ทางยูทูบหนึ่งร้อยห้าทางวิทยุสิบเ็ดแล้วก็ผู้รับฟังบนเขาสี่สิบเ็ดคนคะ่ะรวมห้าร้อยเจ็ดิบเก้าค่ะ5้9รยส้าวันนี้ฝนฟ้าตกคนมาที่นี่ไม่มากสี่สิบกว่าคนนะสี่สิบกว่าอรกระเต้องร้อยกว่าขึ้นไปแต่ทางบ้านก็ไม่น้อยนะทางบ้านก็เท่าเดิมก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกมั้งไม่ทราบว่าที่กรุงเทพฝนตกหรือเปล่าตกหมดเลยน ะ, ะตกทั่วฟ้าเลยวันนี้ ตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าไปบินทบาทก็เริ่มต้องกลางล ม, มไม่เคยตกต่อนอีอ่อย่างนี้เลยนานๆจะเจ อ, อทีสักทีตกมาตั้งแต่เช้าหกโมงนี่สามโมงแล้วก็ยังไม่หยุดมีผักกันหนักบ้างเบาบ้าง <c oughs> ก็ดีอย่างปีนี้เลยไม่ร้อนนีนธรรมดาวันที่ยีบเจ็ดเป็นวันที่ร้อนที่สุดนี่ยี่บเจ็ดเมษายี่สิบเจ็ดยี่บแปด อันนี้กับกลายเป็นวันเย็นที่สุดก็ดีมีใครอยากจะถามธรรม ะ, ะไห ม, มฟังเทศแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะรู้อะไรก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีคำถามจะให้ทางบ้านทางนี้มีเหร อ, อเดี๋ยวจะส่งไมไปให้พูดใกล้ใกล้ไม่หน่อยนะเพราะว่าเสียงมันจ ะ, ะพูดใกล้ใกล้ใหม่ ครับขอกราบถามพระอาจารย์ครับถ้าเราจะทำํำจิตให้ก้าวหน้าเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะกรรมฐานหรือเปล่าครับออมันเป็นขั้นขั้นไงมันจําเป็นต่อเมื่อเราถึงขั้นนั้นแต่ขั้นแรกไม่จําเป็นขั้นแรกต้องมีสติก่อนต้องฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนแล้วเราค่อยไปอีกขั้นก่อนจะถึงขั้นอสุภะก็ต้องไปขั้นความเจ็บขั้นความตายก่อน แล้วค่อยไปขั้นอสุภะมันเป็นขั้นของการตัดกิเลสแต่ยังเบื้องต้นนี้ยังตัดไม่ได้เพราะไม่มีกําลังต้องสร้างกําลังคือสมาธิขึ้นมาก่อนจะมีสมาธิก็ต้องมีสติต้องรู้จักหยุดความคิดให้ได้ก่อ น, นวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องฝึกสติเช่นให้อยู่กับคําบริกามพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ต้องคิดเนี่ย วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะได้นิ่งจะสงบได้แล้วพอจิตสงบแล้วเราก็จะมีกําลังมาตัดกิเลสกิเลสคือความอยากเช่อนอยากอยากมีแฟนนี้ตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาสุภาพได้หรือพิจารณาความตายของแฟนว่าได้แฟนมาแล้วจะเกิดเขาตายไปจะทำะํำยังไงหรือพิจารณาร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งามดูว่ออาการ32สองที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนัง พอเห็นอาการต่างๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เห็นด้วยวิปัสนาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าภายใต้ผิวหนังก็มีกระดกูกมีกระโหลกศีรษะมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่งางๆมันก็จะทําให้ความอยากมีแฟนหายไปอันนั้นเป็นขั้นต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นได้ต้องฝึกสติให้ได้ก่อนต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อน คือถ้าเรามีกําลังเพียงพอแล้วเนี่ยในเพศคาราวาสก็สามารถพิจารณาได้แล้วใช่ไหมครับได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่เพศอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่มีสติหยุดความคิดทําใจให้สงบให้ได้หรือเปล่าถ้ามีสติเราก็จะได้ควบคุมใจให้คิดทางอสุภะได้ถ้าเราไม่มีมันจะไม่ยอมคิดบางแค่มันคิดพอมระเเผอปั๊บมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นดัน้้นตอง มีสติมีกําลังพอที่จะควบคุมให้มันคิดอยู่กับอสุภะไปนานๆจนไม่ลืมตอนนี้เรายังลืมเรื่องอสุภะอยู่พอเห็นใครหน้าตาดีหน่อยลืมอสุภะไปหมดแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยมีสติให้พิจารณาอยู่เรื่อยพอเห็นใครหน้าตาดีๆก็จะเห็นกะโหลกศีรษะเขาเลยเนี่ยหน้าตามันมีอะไระนอกจากผิวหนังที่ห้มห่ออยู่มันก็ห่มหอกะโหลกศีรษะไว้เท่านั้นเอง แต่เราไม่เคยพิจารณากะโหลกศีรษะกันเห็นหน้าตาทีไรก็เห็นแต่หน้าตาไม่เห็นกะโหลกศีรษะแต่ถ้าเรามันฝึกจิตให้มองให้เห็นกะโหลกศีรษะอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเห็นหน้าตาใครก็จะเห็นกะโหลกศีรษะเขาไปด้วยก็จะไม่มีความลักความหลงในร่างกายของเขาอีกต่อไป คือเราต้องต้องสะสมสติกําลังพลังจนมีกำลังมากพอสั่งให้มันหยุดคิดได้สั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้แต่ตอนนี้มันไม่ยอมคิดทางปัญญาเห็นอะไรสวยไปหมดหน้าดูไปหมดเห็นอะไรจะอยู่ไปนานๆไม่คิดว่ามันจะตายกนันไม่คิดทางแก่เจ็บตายไม่คิดทางเอาสุภาษกันเพราะกิเลสมันจะสั่งให้คิดไปทาง ว่าจะอยู่ไปจนวันตายเจอพระก็ขอพรเ ง, งีุ่นวายไปหมดอพระก็คอยสอนว่าจต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังมาขอพระให้อายุมีอายุวันนะสุขะพาระอยู่ฮะพร ะ, ระพก็ละเลยต้องเล่นสองบทเล่นบทอบทปลอบใจแล้วก็เล่นบทโหดถ้าเป็นคนจิตใจอ่อนแอก็ต้องปลอบใจอายุวันนะสุขพระพาระไปถ้าเป็นพวกใจแข็งก็โหดหน่อยมึงเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอ ก็ต้องเล่นสองบทต้องดูว่าคนที่มาต้องการอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องการอายุวันณนะ่สุขภารากันไม่ยอมคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเข้าใจไหมแต่คนที่ควบคุมความคิดได้แล้วจะจะคิดไปทางความแก่ความเจ็บความตายได้เพรารู้ว่ามันเป็นความจริงรู้ว่าจะต้องเจอมันนั่นต้องหัด ผัดสอนใจให้อยู่กับมันให้ได้เวลาเจอมันไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันถ้ารู้จั ก, จกทําใจให้เฉยมันก็จะไม่ทุกข์นี่มันเฉยไม่เป็นพอเจอแก่ก็จะดิ้นหนีทันทีเจอเจ็บก็อยากจะดิ้นหนีพราะนี้ไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาไม่ต้องดิ้นหนีหนีไม่พ้นะ่ะมันต้องตามเรามาจนได้ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเงาตามตัวเรา อดอยู่กับมันดีกว่าอย่าไปหนีมันถ้าอยู่กับมันได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนอมีใครถามอยากจะถามอีกไหมแถวนั้นไม่มีการส่งมากลับมาคำถามฝากถามจากคุณอโโหสิอโหสิค่ะมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งการทำตัวเองให้เสียชีวิต เพื่อยุติปัญหาเป็นบาปมากน้อยเพียงใดหรือครับมันไม่ใช่เป็นวิธียุติปัญหาไนงะมันเพียงแต่ทําให้เลื่อนปัญหาไปอีกพบหนึ่งแค่ะนะึงพอก้าตัวตายมันก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเจอปัญหาใหม่วิธีที่จะฆ่าปัญหาแบบถาวรก็คือต้องฆ่าความอยากความอยากที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่ความอยากที่พาให้เราไปหาไปเจอปัญหากันตัวที่พาให้เรามาเจอปัญหากันก็คือความอยาก อยากได้อะไรพอได้มาเดี๋ยวสิ่งนั้นก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องมีสิ่งนั้นเมื่อไม่มีสิ่งนั้นมันก็ไม่มีปัญหากับสิ่งนั้นงั้นเราต้องมาฆ่าความอยากอย่าไปฆ่าร่างกายฆ่าร่างกายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพียงแต่เป็นการโยนปัญหาไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเดี๋ยวตายไปความอยากมันก็จะพาเราไปเกิดใหม่แล้วพอมีร่างกายใหม่ก็จะมาเจอปัญหาเก่า พอามาเจอปัญหาแบบเก่าอีกก็เดี๋ยวก็จะฆ่าตัวตายมันก็ไม่มีวันแก้จบวิธีจะแก้ปัญหาต้องแก้ตัวความอยากเราไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่มีอะไรไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องมีร่างกายมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาอีกต่อไปอข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่ะการทําให้ผู้อื่นเสียใจถือเป็นบาปหรือไม่ครับถ้าถ้าทําโดยตั้งใจ เช่นรดดาเขาอย่างี้ไปขโมยของเขาามันทำให้เขาเสียใจ น, นี้บาปแต่ถ้าเราทำความดีแล้วเขาเสียใจเพราะเขาไม่ชอบให้เราทำความดีเขาอยากให้เราทำความชั่วอย่างนี้แล้วเขาเสียใจไม่บาปเช่นเราไปบวชเขาอยากจะให้เราไม่บวชนี้เราไปบวชแล้วเขาก็เสียใจตรงนี้เราไม่ได้บาปเราไม่ได้ไปทาร้ายเขา <S S S S เขาทำร้ายตัวของเองด้วยความอยากของเขา เขาไม่อยากให้เราไปบวชพอเราไปยายอยู่บวชเขาก็เสียใจอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าเราไปว่าเขาไปทุบตีเขาไปทำร้ายเขาเอาขโมยเงินทองเขาอย่างเงี้ยเราก็เสียใจเงี้ยบาปคําถามจากผู้สักถามค่ะคนที่เป็นเจ้านายเราเรารู้ว่าเขาทุจริตเราต้องวางเฉยหรือเปล่าคะเขาเป็นอะไรนะ่ย เป็นเจ้านายค่ะแล้วเป็นยังไงขอทุจริตค่ะทุจริตเราต้องวางเฉยหรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่เป็นหน้าที่ของเราเราก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแจ้งความต้องแจ้งให้คนอื่นเขารู้เราก็ต้องทำไปเพราะ่านั้นเราก็จะถูกกล่าวหาว่าบกุกรองหน้าที่หรือว่ามีส่วนร่วมกับเขาก็ได้ ก็ต้องดูสถานการณ์ว่ามันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวกับเราเราก็ก็อยู่ไปแล้วก็รู้เนี่ยในเมืองบ้า น, านเมืองเราเนี่ยมีคนทุจริตเยอะแยะไปหมดเราเราต้องไปรายงานให้ ต, ตำรวจทุกทุกครั้งหรือเปล่าเราบางทีก็เฉยไปมันไม่ใช่เรื่องของเราบางทีเห็นคนเขา้าขโมยของเนี่ยเราจะไ ป, ไปแจ้งความตำรวจหรือเปล่ามันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่ามันมควรจะทําหรือไม่ควรกระทำํำ ทำแล้วเกิดผลกระทบกับเราอย่างไรก็ต้องคิดดูทําดีเราเดี๋ยวอาจจะถูกเขาด่าเราหรือถูกเขาโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราก็ได้เห็นเจ้านายทุจริตแล้วเราไปรายงานเดี๋ยวเจ้านายเกิดเขาถูกสอบสวนแล้วเขาหาว่าไม่ทุจริตเดี๋ยวเจ้านายก็รายงานเราสิใช่ไหมเราก็เดือดเนื้อเดือดเดือดร้อนนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็าจะทุจริตก็เรื่องของเขาไป มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่จะต้องไปจับเขาเราก็ไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปสนใจเราก็อยู่ตามภาษาของเราไปคำถามจาก Facebook ไลฟ์ค่ะจากคุณกิติยาคำถามต่อนเนื่องจากเมื่อวานเจ้าค่ะ พระอาจารย์ว่าการฝึกสมาธิต้องมีครูคือดิฉันอยู่ต่างประเทศโซนยุโรปได้เจริญสติฝึกสมาธิจาก YouTube ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระอาจารย์ต่างๆแล้วน้อมนำมาปฏิบัติดิฉันทำแบบนี้ได้ไหมคะแล้วถ้าดิฉันทำสมาธิได้ในระดับตกหลุมอากาศเกิดการขนลุกขนพองจิตเงียบสงบแล้วกลับมาดูลมหายใจต่อดิฉันต้องทาอย่างไรต่อคะหรือต้องดูแบบนี้ไปเรื่อยๆเจ้าคะสาธุ <ค><ะ>ก็พยายามให้มันนิ่งไปนานๆเนี่ยพยายามทำให้มันนิ่งบ่อยๆนั่งนิ่งให้ชำนานเวลานั่งให้มันสงบได้เร็วได้ง่ายเนีัด <s par us> ทำไปเวลาสงบมันนิ่งก็พยายามอย่าพยายามให้มันนิ่งไปอย่าไปอย่าไปให้มันคิดอะไรอย่าให้มันไปทำอะไรพยายามนั่งให้มากบ้างนั่งให้นานๆหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนอย่างอื่น การที่จะไปนั่งดูทีวีก็มานั่งสมาธิการที่จะไปนั่งกินกาแฟกินขนมก็มานั่งสมาธิอย่างนี้ต่อไปเราก็จะสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมีสมาธิอย่างเดียวก็พออยากให้ลูกชายบวชจะชักชวนด้วยวิธีใดหากเขาไม่บวชแสดงว่าเขาไม่มีบุญหรือคะก็บางทีเขายังไม่รู้ว่าการบวชเป็นยังไง เราต้องพาเขมาสัมผัสกับพระพุทธศาสนาก่อนต้องพาก็เข้าวัดให้เขาได้เห็นกิจกรรมต่างๆในวัดเห็นคนบวชเขาจะได้ถามว่าเขาบวชกันทําไมบวชแล้วได้อะไรแล้วต่อไปพอเขาเข้าใจถ้าเขารู้ว่าดีเขาก็อาจจะอยากจะบวชก็ได้เหมือนกับขายสินค้าเนี่ยอยู่ดีๆเอาสินค้ามาให้เขาบอกอ้าวซื้อสิยังทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเป็นสินค้าอะไรนี้เขาจะซื้อเปล่า เราก็ต้องบอกว่านี่เป็นเครื่องสมางนี่เป็นอะไรายาสีฟันแตรงสีฟันแปรงแล้วจะทำให้ฟันแข็งแรงอะไรนี่ต้องบอกประสิทธภาพบอกคุณภาพก่อนว่าสิ่งนี้มันดีอย่างไรนะ yeah. เขาก็รู้แล้วเขาก็จะได้ตัดสินใจว่าเขาต้องการหรือไม่ถ้าก็าไม่รู้นี่ประหยัดเยี่ยนนี่เขายางไงเขาก็ไม่เอาเะ ถ้าเขารู้แล้วไม่ต้องยัดเยียดถ้าเขาอยากได้เขาขอเองเขาซื้อทันทีงั้นเราต้องให้เขารู้จักสิว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานั้นมันดีอย่างไรอถ้าเขายังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เราจะจะจะทําไปทําไมบางทีเขาเขาลบเราอยากจะทําตามเราแต่บางทีเขาก็ทําไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะเขาจะได้อะไร คำถามจากคุณเต๋าเต๋าการที่เราเข้าสู่ไว้ททำงานทำอาชีพวิศวกรเป็นอาชีพหลักแล้วมีการวางแผนการเงินโดยการเล่นพุ้นตลาดหลักทรัพย์ซึ่งในใจคิดแต่ว่าแค่หาเงินให้ได้มากที่สุดแล้วเอาและเร็วแล้วเอาให้พ่อแม่เพื่อลาบวชตลอดชีวิตแบบนี้ถือเป็นการหาเงินโดยไม่สุจริตไหมครับพระอาจารย์ ถ้าไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ไปลักทรัพย์ของใครมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่เสียหายตรงไหนทำได้คำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณปิงหากข้าพเจ้ามีสามีเป็นคนจุดเดือดต่ำใช้คำหยาบคายบ่อยครั้งทำให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจนลูกสิทธ์เอ่อจนลูกมีปัญหาพบจิตแพทย์ ตนเองพยายามใช้ธรรมะแต่ก็ไม่สามารถจับความโกรธความวุ่นวายในใจได้ทันทำให้ครอบครัวมีปัญหาตนเองมีภาระหลายด้านต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าดูแลลูกทำงานหาเลี้ยงครอบครัวทำให้ใจไม่รู้สึกสงบจะฝึกจิตอย่างไรให้รับมือกับปัญหาแบกบรับภาระรอบด้านได้สามารถนิ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมีความสงบในชีวิตได้คะ ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การมองมองคนว่าเขาเป็นคนหรือเขาเป็นอะไร<ม>ถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่พูดคำหยาบ<ม>ถ้าเขาพูดคำหยาบนี่ก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉาน<ม>เหมือนหมาหมามันก็เหา่าเอ้น<ม>ถ้าเรามองเขาว่าเขาเป็นเหมือนกับหมาเราก็จะไม่ไปเดือดร้อนกับการพูดคําหยาบของเขา แต่เราไปมองว่าเขาเป็นคนเป็นมนุษย์เขาต้องไม่พูดคำหยาบเราก็อยากให้เขาไม่พูดคำหยาบพอเขาพูดเราก็เลยเที่ยนเราก็เลยทุกข์ขึ้นมานะเพราะเรามองเขาไม่เป็นเรามองเขาเป็นคนทั้งๆ ท, ท, ที่เขาเป็นหมาเข้าใจั้มเวลาเราเห็นหมาเหา่าเราไปอยากให้มันเรียบร้อยเหมือนคนไหมเราก็รู้ว่ามันเป็นหมามันอยากจะเหา่าก็เห่าไปนะอย่างมากก็ผ้ามันแล้วตบมันตีมัน แต่ถ้าสามีเราไปตบตีแบบหมาไม่ได้เราก็ต้องทำใจใช่ไหมทำใจว่าอยู่กับหมาก็ต้องปล่อยให้หมามันเหา่าอยู่กับคนที่จะพูดชอบพูดคำหยาบ ก, ก็ปล่อยเขาพูดไปเป็นสัมดานของเขาถ้าทำอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่เครียดก็เราไปเลือกเขามาอยู่กับเราเองอใช่ไหมไปเลือกเขามาะ เ้วพอเลือกแล้วมันก็ต้องอยู่กันไปเพราะมันมีความผูกพันกันมีมีพันธะต่อกันนะงนั้นก่อนที่จะเลือกคนมาอยู่ต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักทดสอบก่อนดูก่อนสมัยก่อนเขาไม่แต่งงานทันทีเขาให้มั่นกันไว้ก่อนแล้วก็ลองอยู่ด้วยกันรู้จักกันไปสักพัก mm hmm. ว่าจะเป็นคนอย่างไร mm hmm. แล้วยกตัดสินใจถูกว่าได้เลือกคนที่ถูกต้องหรือไม่ mm hmm. สบายนี้มันไม่เอาแต่เอาแต่รูปล่างหน้าตาหรือเอาแต่เวลาทบกันใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันไม่อยู่ไม่ดูไปนานๆถ้าดูนานๆมันก็อาจจะเห็นว่าบางเวลาเขาก็า จ, จะไม่เอาอกเอาใจเราก็ได้นะเราจะได้รู้ท่าแท้ของเขาว่าเป็นอย่างไรคําถามจาก youtube ค่ะจากคุณป๊อปเคทูแต่ผมอยากทราบว่า การถวายของใช้ให้พระถ้าเป็นของที่พระใช้แล้วยังไม่หมดในเจดวันของนั้นยังเหลืออีกเยอะอย่างนี้พระท่านสามารถสละแล้วให้สิทธิถวายใหม่ได้ไหมครับหรือต้องสละทิ้งเลยครับพระต้องสละทิ้งเลยแต่อยู่ที่ลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ฉลาดเอากลับมาถวายใหม่ได้แต่พระสั่งไม่ได้สั่งว่าให้มึงนะเดี๋ยวมึงเอามาให้กูใหม่อย่างนี้ไม่ได้ ให้เขาไปเลยเหมือนกับมุยกให้เขาไปอยู่ที่เขาเขาอยากจะกินและอยากจะทําบุญถ้าก็อยากจะได้บุญเขาก็อามาถวายหลวงพี่ใหม่มาถวายพระใหม่เพราะรู้ว่าพระยังต้องฉันอยู่แต่มันหมดอายุถ้าถ้าให้เขาโดยไม่สั่งแล้วก็มาเอามาถวายใหม่นี้รับได้แต่ถ้าไปสั่งเขาให้เขาเราบอกอ้าเอากลับคืนมานะอะนี่เขาก็เหมือนกับไม่ได้ให้ไม่ได้สละ ต้องสละไปเอาไปหมดของมันหมดจะยุ่แล้วเราฉันไม่ได้แล้วเอาไปอยากจะกินก็ไปกินอยากจะมาทำอะไรก็เอาไปอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้แต่ลูกศิษย์อยากจะได้บุญพอดีวันเกิดอยากจะทำบุญไม่มีเงินซื้อของพอดีมีของที่พระให้มาก็เอามาถวายพระใหม่นี้เขาก็ได้บุญคำถามจากเ c e b o o k ค่ะจากคุณเทววิชา กลับเรียนถามว่าใจที่เฉยถือเป็นการภาวนาได้ไหมคะมันเฉยแบบไหนนะถ้าเฉยแบบทุกข์ไม่ก็ไม่ ไ, มได้มันต้องเฉยแบบสุขเวลาใครก็ดา่าแล้วก็เฉยแล้วก็ยังยิ้มได้เงี้ยก็เฉยแบบนี้ก็เฉยแบบภาวนาถ้าเวลาใครก็ดา่าแล้วเฉยแต่ใจนี่สั่นใจนี่เด่นใจนี่โกรธนี่ไม่ได้ ใจต้องเฉยจ ร, จริงๆเฉยยังมีความสุข <Okay. S 2> เฉยแบบแผ่เมตตาแบบเออมึงอยากจะด่าก็ด่าไปถ้าเป็นความสุขก็เอาเลยยินดีให้ด่าให้พอ uh huh. เหมือนกับเป็นการทำบุญ uh huh. ให้เขามีความสุขด้วยการด่าเราไป uh huh. เขาด่าไปค uh huh. ำถามจากคุณทะเนธ วิญญาณเป็นรูปหรือเป็นนามวิญญาณกับความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันไหมถ้าไม่เชื่อว่าวิญญาณออถ้าไม่เชื่อว่ามีวิญญาณจะผิดไหมวิญญาณ น, นี่มสีสองอย่างวิ ญ, ญญาณที่บรรับรูปเสียงกลิ่นรสนี้เรียกว่าวิญญาณทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นใจจะรู้รูปต้องมีวิญญาณเป็นผู้มารับรูปจากตาไปให้ใจอีกทีหนึง่ง วิญญาณเป็นตัวรับรูปเสียงกลิ่นรสไปให้ใจให้ใจได้รู้ว่ามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมารสมาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้เรียกว่าวิญญาณอย่างหนึง่งแล้วอีกอย่างหนึ่งวิญญาณอีกอย่างก็คือเวลาร่างกายตายไปจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ออกจากร่างคือไม่ได้ออกจากร่างตัดตัดการติดต่อกับร่างกายนี้ตัดวิญญาณออกถอนวิญญาณกลับเข้ามา แล้วก็เรียกจิตใจตรงนี้ว่าเป็นวิญญาณในขณะที่ไม่มีร่างกายตัวรู้ตัวคิดเราก็เรียกว่าวิญญาณที่ไปเกิดใหม่ตัวรู้ตัวคิดนี้ไปเกิดใหม่ในช่วงที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกตัวรู้ตัวคิดนี้ว่าตัวเป็นว่าวิญญาณไม่เรียกว่าจิตว่าใจพอมีร่างกายเราก็เรียกตัวรู้ตัวคิดนี้ว่าเป็นจิตใจตัวเดียวกันคาถามจากคุณแอ๊คําถามฝากถามค่ะ คุณแม่หนูท่านปฏิบัติทำต่อเนื่องมาประมาณหนึ่งเดือนท่านจะเน้นเดินจงกรมมากกว่าการนั่งสมาธิพอหลังจากปฏิบัติก็รู้สึกว่าจิตใจไม่มั่นคงอารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็วบางวันก็ทุกข์บางวันก็สุขค่ะจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะพอไม่คอยควบคุมจิตใจเวลาที่ไม่ปฏิบัติไงเวลาถ้าปฏิบัติแล้วต้องหัดควบคุมจิตใจตลอดเวลา เวลาไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ยังต้องคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดควบคุมอารมณ์เวลาเกิดอารมณ์ก็ต้องระ ง, งับมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันเป็ น, ปนไปตามไม่มีไม่มีอะไรมาคอยควบคุม <S <S ต้องควบคุมตลอดเวลา <S <S อย่าควบคุมเฉพาะเวลาปฏิบัติ <S <S 2> <S 2> พอไม่ปฏิบัติก็ปล่อยมันมันก็ละอาละวาขึ้นมาได้มันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ สร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับใจได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทำอย่างไรกับคนที่เพิ่งเริ่มมาปฏิบัติให้เข้าใจได้ง่ายและจะรู้ได้อย่างไรคะว่าได้ผลและมาถูกทางค่ะเบื้องต้นก็อย่าไปสนใจสอนคนอื่นเลยสอนเราก่อนสอนตัวเราให้ให้เก่งก่อนแล้วก็ไปสอนคนอื่นถ้าใครก็อยากให้เราสอนก็ให้เขาไปเรียนกับคนที่เขาเก่งดีกว่า ถ้าเรายังสอนเขาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสอนเขาคำถามจากคุณอริสราการที่เราถูกใส่ร้ายหรือกล่าวหาว่าเรายักยอกหรือขโมยเงินทั้งทางที่เราไม่ได้เอาไปและและเรายังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจให้เขาเห็นถึงความบริสุทธิ์ได้อีกแต่ความติดค้างที่เรารู้สึกเสียความรู้สึก กับการถูกกล่าวหานั้นยังติดอยู่ในใจเพราะเราไม่มีแม้แต่จะคิดที่จะทําแบบนั้นเราควรทําอย่างไรดีเจ้าคะความคิดของคนอื่นเราไปห้ามเขาไม่ได้เราจะคิดว่าเราดีหรือเชื่อนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ความจริงมันเป็นยังไงนี่มันก็เป็นมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราดีเราไม่ได้ทุจริตต่อให้ใครคิดว่าเราไม่ดีต่อให้เขาคิดว่าเราทุจริตมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริง อยางนัเราอย่าไปสนใจกับความคิดของคนอื่นให้สนใจกับความจริงถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ตัวเราถ้าเราทุจริตเราก็ต้องเลิกส่วนคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรมันเราห้ามเขาไม่ได้คําถามจากคุณดีค่ ะ, ะมีคําถามสองข้อค่ะข้อหนึ่งระหว่างสังขารกับเวทนาในขันห้าจริงๆแล้วอันไหนเกิดขึ้นก่อนกันคะเช่นกินรถ กินรสชาติอาหารอร่อยเพราะเราปรุงแต่งว่าอร่อยเราพอใจแล้วมีความสุขแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะไม่ถูกหรอกเวลาเรากินอาหารเราไม่ได้ปรุงแต่งหรอกไอตัวสัญญามันเป็นตัวบอกว่าอร่อยว่าเราเคยกินอาหารตัวนี้มาก่อนพอพอกินอีกก็รู้ว่ามันอร่อ ย, ยตัวที่รู้ว่าอร่อยนี่คือตัวความจำได้หมายรู้เราจำได้ว่า อ, อ๋อเราเคยกินอาหารชนิดนี้มาพอกินอีกก็รู้ว่ามันอร่อย ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเวทนาถึงจงมีความคิดปรุงแต่งตามมาว่าอยากจะกินเยอะๆกินมากๆเพราะมันอร่อยไอ้ตัวนี้แหละคือความคิดปรุงแต่งตามมาจากตัวสัญญากับตัวเวทนาเขาถามระหว่างสังขารกับเวทนาค่ะก็นี่ไงก็บอกก่อนที่เวทนาจะเกิดได้ต้องมีสัญญาก่อนสัญญาเห็นขนมแล้วจาได้ว่าขนมนี่อร่อย ก็เลยก่อความสุขใจขึ้นมาก็อยากจะกินก็สังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าอย่างนี้เอาขนมนี่มากินคําถามข้อสองค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตาขยายความขยายความคําว่ากิเลสอย่างหยาบอย่าง ก, กลางอย่างละเอียดเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะมันก็ไม่รู้ว่าวยอย่างไงคือกิเลส ท, ที่เรามีกันส่วนใหญ่เป็นกิเลสส่วนหยาบ เาะมันเป็นตัวที่เห็นได้ชัด mm. เห็นได้ง่ายเ mm. นี่ยตัวโลภตัวโกรธนี่มันเห็นได้ง่ายตัวที่มันเวลาอะไรมากระทบปั๊บก็เกิดนี่มันก็เป็นกิเลสอย่างหยาบส่วนกิเลสอย่างละเอียดนี่มันก็มองเห็นยากขึ้นไปมันก็โลภโกรธหลงแต่มันมีหลายหลายระดับเนี่นอธิบายไม่ได้เราต้องปฏิบัติไปถึงจะรู้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตายเห็น mm. ก็ให้รู้ก็แล้วกันว่าเวลาเจอกิเลสก็เอามันเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันหยาบหรือละเอียดไอ้ตัวละเอียดนี่มันมักจะซ่อนไอ้ตัวหยาบมันไม่ซ่อนเข้าใจไหมไอ้ตัวที่ออกมาเพ่นพ่านที่เราเห็นที่มันชอบมาชนเราอยู่เรื่อยๆนี่มันตัวหยาบแต่ไอ้ตัวละเอียดนี่มันจะซ่อนภายในบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสนี่ยก็เรียกว่าตัวละเอียดคําถามจากคุณยุพดีค่ะ การที่เรานึกถึงความตายตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรใช้เป็นมรณานุสติได้หรือไม่เจ้าคะได้ได้ก็เป็นมรณะนุสติไงการรลึกถึงความตายตลอดเวลามันจะทำให้เราลดความโลภโกรธหลงได้ถ้าเรารู้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะไปเอาอะไรมากมายทำไมเอามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็เอาไปไม่ได้ เ, เวลาโกรธใครก็มันลุ้จะไปโกรธเขาทำไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว เ, เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วมันก็ มันเห็นทั้งเขาทั้งเราอ่ะเวลาเราจะเลามานั้นสตินี้ไม่ใช่เราคนเดียวที่ตายนะเราจะเห็นว่าคนทั้งโลกนี้ตายกันหมดเราก็เลยแทนที่จะโกรธกันอาจจะเกิดความสงสารกันว่าโอ๊ยเดี๋ยวก็ตายแล้วเราจะไปโกรธเขาทําไมเราจะไปทำร้ายเขาทําไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วทําไปทําไมทําไปแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกันเปล่าๆสู้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปดีกว่า อยู่ไปจนกว่าจะตายจากกันไปเช่น อ, อย่างนี้นี่คือประโยชน์จากการมรีการเจริญนอา น, านุสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายคำ ถ, ถามต่อไปค่ะ ถามว่าคนที่กโกรธง่ายอารมณ์ร้อนและมักทำให้คนในครอบครัวอารมณ์เดือดตามไปด้วยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรก็ในลระเทศเขาไปเลยหรือไม่ใช่นั้นเราก็ในประเทศเราไปแยกกันอยู่ถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าสอนเขาไม่ได้หรือไม่ใช่นั้นก็ต้องทำใจอยู่กับเขาไปคิดว่า อ, อ, อ, อยู่กับหมาไปก็แล้วกันอย่า มันแล้วเหรอมีอีกค่ ะ, ะาาถามจากคุณสมโยงค่ะยังไม่เข้าใจกับการแผ่เมตตาครับสมัยพุทธกาลพระสวดกรณีในป่าเป็นการแผ่เมตตาหรือเปล่าครับไม่การสวดไม่ได้เป็นการแผ่การสวดเป็นการสอนเป็นการเตือนใจให้รู้จักแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรการแผ่จริงๆต้องแผ่ตอนด้วยการกระทํา เวลาเราพบปะ ก, กันเนี่ยเราขนมมาฝากกันนี่เราแผ่มเมตตาล ะ, ะให้เขามีความสุขใช่ไหมเวลาซื้อของมาฝากนี่พเขาได้ของฝากเขาก็ยิ้มขอบถูกขอบ<อ><อ>ใจเราเขาเกิดความสุขขึ้นมาเวลาเขาโกรธแลเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปถือสาเขาอย่างนี้ก็แผ่มเมตตาอย่างหนึ่งไม่ไปโกรธเขาการไม่ไปโกรธเขาก็ถือว่าเป็นการแผ่มเมตตา คือไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วไม่ฉะนั้นก็ไม่ไปพูดให้ทําให้เขาไม่ไปพูดไปทําร้ายร่างกายเขาหรือจิตใจเขาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ต้องทําในขณะที่เราพบปะกันเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้แผ่เป็นการสอนเป็นการเรียนบางทีเราไม่รู้ว่าแผลเมตตาแผลยังไงเราก็สอนเราสัพเพสัตตาอาเวลาหอนโตเนี่ยขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงบนจริยามีเวรกัน คามจริงหมายความว่าเราอย่าไปมีเวรกับศัตประศัพท์ทั้งปวงเวลาใครเขาทําให้เราโกรธให้อภัยเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอันนี้คือความหมายของการสวดสวดเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาที่จะแผ่เมตตาแผ่อย่างไรเวลาจะแผ่ต้องเจอกันเช่นขับรถไปคนเขาปาดหน้าเรานี้แล้วก็แผ่เมตตาไปอ่าไม่เป็นไรอยากจะรีบไปให้เขาไปก่อนออนี้เรแผ่เมตตา ถ้าไม่ถ้าโกรธดีบแต่ไล่มันอย่างนี้เรียกว่าไม่แผ่เมตตาเดี๋ยวพอไปดีบแต่ไล่เขาเขาก็โกรธเราเบียกเ บ, ยบ เ, บยบเบียกเหยียบเบรกกระทันหานให้เขาให้เราชนท้ายเขาเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันเข้เาใจั้มนี่คือระการแผลต้องมีเหตุการณ์ต้องมีบุคคลถึงจะแผลได้ อ, อยู่คนเดียวไปแผลให้ใครแผลให้ผีเลยเ คำถามต่อไปค่ะกราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะเนื่องจากเพิ่งเริ่มนั่งสมาเพิ่งหัดเริ่มนั่งสมาธิและขณะที่นั่งสมาธิแล้วเราเกิดอาการปวดอยากเข้าห้องน้ําหรือปวดเหน็บชาหรือเกิดหิวข้าวเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรคะต้องออกจากสมาธิเลยไหมคะทั้งๆที่บางครั้งเราเพิ่งเริ่มนั่งและยังไม่อยากออกจากสมาธิเลยเจ้าค่ะ อ๋อถ้ายังไม่อยากออกก็อย่าไปออกปล่อยมันฉี่ไปปล่อยมันขี้แตกไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันหิวไปถ้าจิตสงบแล้วจะมีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ทางที่ดีก่อนจะนั่งสมาธิต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนฉี่ให้หมดก่อนถ้าถ่ายก็ถ่ายให้มันหมดก่อนถ้าหิวข้าวก็กินมันก่อนทําอะไรให้มันเรียบร้อยทางร่างกายก่อนแล้วก็ยมานั่งสมาธิ คำถามจากคุณชันพาค่ะสังขารสัญญาและสังขารที่เกิดขึ้นให้รู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะรู้สิ่งนั้นเฉยเฉยจนดับไปหรือตัดการรู้สิ่งนั้นครับคือมันเป็นอัตโนมัตินะเนี่ยพอเราเห็นรูปมันสัญญามันก็จะมาทันทีว่าเป็นรูปอะไรเป็นใคร แล้วพอรู้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นรูปที่ดีก็เกิดเวทนาความสุขขึ้นมาแล้วพอเกิดความสุขก็เกิดสังขารความอยากขึ้นมาสังขารก็อยากอยากจะได้รูปนั้นขึ้นมาที่ถ้าเราอยากจะแก้ถ้าเราไม่ไม่อยากจะมีปัญหาก็อย่าไปอยากเห็นรูปดีก็อย่าไปอยากได้ก็ให้รู้เฉยๆว่ามันดีแต่อย่าไปอยากได้ หรือเห็นรูปไม่ดีก็อย่าไปอยากกำจัดมันก็ให้รู้เฉยๆว่าเหมือนรูปไม่ดีปล่อยมันไปนี่คือวิธีเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากกำจัดมันคำถามจากคุณอ้อยฟ้าใสเรียนถามพระอาจารย์หากต้องการไปปฏิบัติธรรมขอสามีแล้วแต่เขาไม่ตอบไม่ค่อยพอใจหากรั้นจะไปจะได้บุญไหมคะ อ๋อการไปมันได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้มีปัญหากับเขาได้เพราะเรามีพันธะกรณีกับเขาอยู่เราอาจจะละเลยหน้าที่ของเราหน้าที่ที่เราต้องอยู่เป็นเพื่อนกับเขาเพราะฉะนั้นกระทั่งที่ดีก็ชวนก็ไปด้วยกันสิะจะได้บุญด้วยกันทั้งสองคนเลยอแต่ถ้าเขาไม่ไปเขาไม่ยอมให้เราไปเราก็ขออย่าถ้าเราอยากจะไปก็ขออย่ากัน อย่าไปรักพี่เสียดายน้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเอาธรรมะก็ต้องทิ้งสามีถ้าถ้าจะเอาสามีก็ยังไม่ได้ธรรมะหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องปฏิบัติที่บ้านไปอยู่ที่บ้านปฏิบัติที่บ้านไปก่อนแล้วรอจังหวะเวลาที่เขาไปทุนละต่างจังหวัดเราก็ไปวัดของเราได้คําถามจากคุณสมชายค่ะ ผมอยากบวชตลอดชีวิตและจะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่ติดตรงมีหนี้สินซื้อ<ม>บ้านล้าน4ี่และรถอีก 50,000 นบาทมผมอายุ48แล้วจะได้บวชไหมกว่าจะหมดหนี้สินอยากบวชแรงมากเลยครับก็คืนบ้านคืนรถเข้าไปซิเวลาบวชก็ไม่ได้เอาบ้านเอารถไปอยู่แล้วเนี่ยก็คืนเข้าไปเท่านั้นเองยอมเป็นคนบุคคลล้มละลายไปแล้วเราก็ไปบวชได้ คำถามจากคุณพีโกขอแนวทางดับตัวมานะด้วยครับก็หาทำตัวเป็นทาสขี้เล้ยวทำตัวทําเป็นคนรับใช้อย่าเป็นเจ้านายคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ของค น, คนทุกคนเจอใครกคร็ครับผมคับผมไปอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายเขาคาถามจากคุณออเรนจ์ค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่เตรียมของตั้งใจไปวัดแต่พอดีมีงานบุญอื่นเข้ามาจึงไม่ได้ไปและให้ลูกไปแทนแต่ตอนแรกลูกไม่อยากไปเนื่องจากเหนื่อยจากการทำงานแต่สุดท้ายก็ไปแทนแม่พอขณะไปทำความรู้สึกเหนื่อยหายไปกับสุขใจแทนตรงนี้แม่ถือว่าเสียสละจ่าไหมคะและลูกบาปใหม่ที่ตอนแรกไม่อยากไปวัด ถ้าแม่ตั้งใจจะไปแล้วไม่ไปก็ไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะก็ต้องไปถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้าทำตามที่ตั้งใจก็เรียกว่ามีสัจจะถ้าไม่ทำตามที่ตั้งใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะส่วนลูกถ้าไปทำแล้วเกิดความสุขก็ไม่บาปกับเกิดบุญบุญก็คือความสุขนี้ถ้าทำด้วยความยินดีก็จะเกิดความสุขถ้าทาด้วยความไม่ยินดี ก็จะไม่เกิดบุญเพราะฝืนทำคำถามนะคะคนที่เราไม่ชอบหน้าไม่ถูกกันเราทำบุญกรวดน้าให้เขาบ่อยๆเวลาเจอหน้ากันทำให้ความไม่ชอบกันลดลงได้ไหมคะไม่ได้หรอกต้องเอาเอางินที่เราไปทำบุญนี้มาให้เขาดีกว่าแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเขาจะกรวดเราน้อยลง เช่นยาวเงินที่ไปทําบุญกวดน้าให้เขานี้ไปซื้อของขวัญให้เขาซื้อขนมให้เขาเจอเขาทีไรก็พี่มีของมาฝากนะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะความโกรธเขาก็จะน้อยลงไปไต่อไปเขาก็จะรักเราอย่าไปกวดน้าให้เขาเขาไม่ได้รับหรอกเพราะการทําบุญนี่เราเป็นคนได้บุญงั้นถ้าเราอยากจะให้เขารักเราเราต้องทําให้เขารักเราด้วยการทําให้เขามีความสุข คำถามจากคุณอัตตาหิอัตโนโนาโถค่ะถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วเกิดสงสารเกิดความผูกพันจะทําให้เราไปเกิดเป็นสุนัขเหมือนเขาไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่เป็นหรอกการจะไปเป็นสุนัขต้องต้องไปทําร้ายสุนัขไปฆ่าสุนัขพอฆ่าสุนัขแล้วต่อไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัขให้เขามาฆ่าเราแทนทํําทากรรมมันไดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น หมดแล้วอนะหมดแล้วค่ะอะ่พอดีเวลากำบดพอดีเหลืออีกสองนาทีวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ได้ธรรมะกันแล้วเพราะเห็นมีฝนตกแต่ก็ลองดันดูลองสู้กับเสียงฝนดูคิดว่าทางบ้านก็ได้ยินดีใช่ไหมได้ยินชัดดีนะเสียงฝนไม่ค่อยเข้ามาทางไมโครโฟนเท่าไหร่นะโอเคอะไอย่างนั้นมีใครอยากจะถามอีกไหมเหลืออีกนาทีสองนาที ถ้าไม่มีก็ขอยุดติการสนทนาธรรมไว้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านจงนำบางสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่อน